ปฏิบัติด้วยลมหายใจอแรงใจทั้งหมดทิ้งไปที่ลมหายใจของตนเองรู้การไหลเข้าไหลออกของลมหายใจของตัวได้ฐานที่ตั้งของจิตรู้ที่เคยฝึกฝนกันมาอย่าไปเห็นแก่ความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆแล้วโอดกรวน ใครที่รู้สึกว่ารู้ลมหายใจแล้วมันจะยากหรือจะหลับค่อยๆประคองลมหายใจกลางๆยาวๆเน้นที่ลมหายใจออกก่อนลมหายใจออกให้มันยาวๆจนมันรู้สึกอึอดอัดแล้วลมหายใจเข้ามันจะเดินกลับเข้าเองแล้วก็รู้ก็าแต่ให้มันยาวๆได้สัก ยี่สิบสามสิบรอบหายใจแลวค่อยกลับสู่ลมหายใจปกติก็จะสามารถช่วยเราการรูลมหายใจได้ง่ายขึ้น <c oughs> ถ้ารู้สึกอึด อ, <c oughs> อัดก็หย <c oughs> ุดการหายใจแล้วค่อยๆปล่อยลมไหลอลอกไหลเข้าช้าๆให้เริ่มต้นใหม่ถ้าอึดอัดแล้วก็ให้เริ่มต้นใหม่ให้คลายตัวหรือกลับมารู้ตัวก่อนรู้ตัวในอิริยาบถ ท, ที่เรานั่งสบายๆรู้ตั้งแต่ใบหน้าค่อ ย, อยๆรู้สึกต่ำลงไปคือออกจากลมหายใจก่อนแล้วมารู้ตัวรู้ในอิริยาบถ ท, ที่นั่งก่อนพอสบายๆเสร็จแล้วก็ ขึ้นมารู้ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่รู้สึกอึดอนะัดน่ะถ้ามันแก้ไม่ได้ก็มารู้ลมหายใจพร้อมๆกับการรู้ตัวไปเลยคือรู้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็รู้ตัวตั้งกายที่นั่งอยู่ด้วย จิตเราจะต้องเรียนรู้การรู้ลมหายใจให้ได้เพราะการรู้ลมหายใจเนี่ยมันสามารถเป็นเครื่องอยู่ของจิตได้ในยามชีวิตปกติที่เราออกไปอยู่ข้างนอกจิตจะสามารถอยู่กับลมหายใจได้ตลอดเวลาเมื่อเขาออกไปทํางานทําการอะไรก็ช่างพอเสร็จแล้วเขาจะกลับมาที่ลมหายใจได้ตลอดเวลาแมในชีวิตปกตินี่เรียกว่าจิตที่มีเครื่องอยู่ อันนี้ <c oughs> เกิดสภาวะในสมาธิที่เราได้เห็นสภาวะแต่ละตัวที่เกิดขึ้นคอรู้ไว้ว่านอกจากจิตรู้ลมหายใจที่ถูกรู้ ล้วนแต่เป็นสภาวะที่ตรต้องดูให้เห็นเป็นตามความเป็นจริงทั้งสิ้นล้วนที่มีการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นปกติธรรมดาของสภาวะนั้นน น, นี่เป็นสภาวะในการปฏิบัติ ที่จะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสภาวะใดหน้าหลงไหลยึดถือแม้แต่ปิติแม้แต่สุขต่างก็เป็นสภาวะเราเพียแค่รู้ด้วยใจที่เป็นกลางคือรู้ด้วยใจที่มีเครื่องอยู่ในภายใน ล้วก็รู้ในสภาวะนั้นนั้นเราก็จะเห็นความเป็นจริงที่เขาเกิดขึ้นที่เขาดับไปต่อไปนี้เราค่อย หยุดมหยุดจิตรู้จากลมหายใจอยู่ที่ความรู้ตัวจะค่อยรู้สึกที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกจะเคลื่อนมือขวาออกไปชะจะวางไว้ที่ข่อข้างขวาจากนั้นยกจิตรู้มาที่มือข้างซ้าย ขยับปลายนิ้วมือซ้ายนิดให้จิตรู้สึกได้ ย, ยกมือซ้ายขึ้นด้วยจิตรู้สึกเคลื่อนไปด้วยจิตรู้สึกช้าช้าค่อยค่อยวางไว้ด้วยจิตรู้สึกที่ข่อข้างซ้ายจากนั้นยกจิตรู้มาที่ใบหน้ารู้เฉพาะหน้าของตนช้าช้าไล่ลงไปรู้ทั่วใบหน้า แล้วก็ประหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิในขณะที่เราลืมตาออกจากสมาธิหมายความว่าลมไม่ได้ตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจแล้วแต่สังเกตว่าจิตเรายังรู้ตัวอยู่มันยังรู้ตัวอยู่มันยังมีความนิ่งความเฉยด้วยกำลังของสมาธิ มีบางคนอึดอัดพอดูลมไปนานๆแล้วอึดอัดอึดอัดอึดอัดก็แก้ใช่ไนหะมแก่ใช่วิธีแก้ไม่ยากหยุดการหายใจแล้วก็ศึกษาศึกษาการหยุดลมหายใจหยุดลมหายใจหมายความว่าหยุดการหายใจไว้ แล้วก็ศึกษาลมหายใจที่มันหยุดอยู่เนี่ยจิตสำผัสรู้การหยุดของลมหายใจจนมันอัดอันเดค่อยๆปล่อยลมหายใจออกค่อยๆปล่อยลมหายใจเข้ามันก็จะเป็นการเริ่มต้นความเพียรเราจะมาอ้างไม่ได้นะว่าเราปฏิบัติอย่างน้นเราปฏิบัติอย่างนี้ คือเมื่อปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมันปฏิบัติแบบไหนก็ได้เราปฏิบัติแบบไหนก็ได้มันต้องปฏิบัติได้ทุกแบบที่จิตเป็นกลางเมื่อเช้าเราฟังธรรมะนะสร้างความเข้าใจสร้างความรู้ หลังจากนั้นเราก็มานั่งสมาธิกัน45นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้45นาที <45. S 1> 55 อ, อ, อยายมันเต็มชั่วโมงเดี๋ยวภาคบ่ายค่อยเต็มชั่วโมงเออ55นาที55นาทีนี้เพื่อให้ดูสมาสติกับอัจฉริังสมาฮิโตคือจิตที่ตั้งอยู่กับอารมณ์ข้างในที่เป็นกลาง ความเข้าใจอันแรกก็คือเพื่อให้จิตปกติอย่างปกติแบบเนี้ยมันให้มันอยู่กับความไม่เพ่งเล็งได้ความเพ่งเล็งเมื่อเช้าไม่ได้พูดขยายไปนิดหนึ่งว่ามันน่ากลัวมากเพราะว่าอะไรเพราะมันผูกอยู่กับขันห้าของเราขันห้าตัวไหนตัวสัญญาตัวสังขาร สัญญาความคาดหมายกําหนดหมายรู้แล้วมันผูกพันกับกายกายคืออะไรคือเซลล์ประสาทรู้จักไหมเซลล์ประสาทในคุณหมอไปแล้วคือจริงๆสมองเราไม่ได้จํำอะไระแต่ตัวที่จำน่ากลัวคือเซลล์ประสาทคือสมองสร้างเซลล์ประสาทขึ้นมาสําหรับจําจิตก็จะคาดหมายอาศัยเซลล์ประสาทนั่นแหละ เ, เป็นอายตนะ วันหลังต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมองมาพูดมั่งไอคนแก่สังเกตดูที่เ็าหลงหลงหลงหลห ล, ลงด้วยเซลล์ประสาทนั้นเพราะว่าไอสมองหน่วยความจำปกติที่เป็นปัจจุบันนั้นหายไปจิตสื่อไม่ได้ไม่มีอา จ, จะใหน้าเชื่อมมันก็เลยอาศัยแต่เซลล์ประสาทที่มีอยู่ เห็นคนที่ตายแล้วแต่ไม่มีสติไม่มีความปัจจุบันมันเราก็เลยบอกว่าเขาหลงหลงหลงหลงวันก่อนไปเยี่ยมไม่ชีกุหลาบไม่ชีกุหลาบนี่เป็นนักภาวนาที่ที่ภาวนาสายพุทโธแล้วแกก็อายุครบร้อยปีวันที่ห้ามการาวันนั้นอาตมากับหลวงพ่อเจ้าว่าที่วัด ไปเยี่ยมเสร็จแล้วก็พอรู้ว่าแกจะครบร้อยปีวันที่ห้ามกราก็เลย จ, จัดจัดงานทําบุญอายุฉลองสัตววรษให้กับแกที่วัดเนี่ยแม่ชีคนนี้เนี่ยเมื่อไปถึงเจอปั๊บแกไปอยู่กับลูกสาวลูกสาวอายุเจ็ดสิบกว่าเกือบแปดสิบแกแข็งแรงกว่าลูกสาวอีก ไปถึงกขบอกว่าเจอกับปั๊บแก็บบอกเลยท่านโยมเนี่ยไม่หลงนะแต่ลืมเออไม่หลงนะแต่ลืมเออนี่คนคนคนที่พูดออกมาจากสติที่มันเป็นจริงอยู่ในขณะนั้นนะไม่หลงอนะ่ะแต่ลืม เห็นหน้าตานี่จำได้แต่ลืมไปแล้วว่าชื่ออะไร <c oughs> เอ่อเป็นแม่ชีที่มีวัดปฏิบัติหน้าเรื่อใสอยู่ที่วัดอุปารารมมิ่ก่อนอยู่นี่นครศรีธรรมราชสมัยก่อนสาวๆนี่เทศห้าธรรมมาศ เทาหธรรมะน well. ั่นไม่ชิวเนี่ยแล้วเขียนกันเทศให้พระเทศด้วยเขบอกว่าท่านไม่หลงนะแต่ลืมอแต่ก็สวดมนต์เขาบอลืมอะไรไม่ชีอย่างเขบอกอย่างสวดธรรมจักสวสวดสวดพอไปถึงพอหยุดหายใจพักพอจะขึ้นใหม่อะมันนึกไม่ออกว่ามันขึ้นไว้ยังไง ไม่หลงที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่หลงเพราะจําได้ว่าเมื่อก่อนเราเคยจําได้เนี่ยไม่หลงแต่ลืมนึกไม่ออกถ้าเกก็ว่าโทษภัยของชาราเนี่ยถ้าเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าโทษภัยของชารานี่มหันมันเป็นทุกข์จริงๆนะท่านเีย่าว่าเมื่อที่พูดเมื่อตอนตอนแรกอะ่ะแล้วมีคนคนหนึ่งเคยบอกอย่างเนี้ย สมัยก่อนนะเทศได้สวดได้ทำได้ทุกอย่างทุกวันนี้เนี่ยให้พูดถึงสิ่งเหล่านั้นยังพูดถึงได้อยู่แต่มันทำไม่ได้ช่รามเป็นตัวทำลายทั้งนั้นว่า <c oughs> เออทีนี o อายุครบร้อยแกวันๆเนี่ยแกไม่ปล่อยโอกาสให้อกุศลเกิดกับแกแกจะต้องตักตวงกุศลอยู่ตลอดเวลา ไม่ชีค้คนเนี่ยที่ห้องแกเนี่ยแกทําวัดเช้าเสร็จกลับไปถึงปับ๊บแกก็จะทําวัดต่อตอนหลังอานตมาก็บอกว่าหยุดจุดทูบเถอะเพราะห้องที่ที่พักวาสิกาเนี่ยถ้ามันจุดทูบแกถ้าก็ว่า้แกไหว้ถ้าถวดถวดทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวันแต่แกจะติดอยู่กับทูบเทียนน่ะมันอันตรายตอนหลังบอกอย่าจุดเลยทูบก็ไม่ต้องจุดแต่จุดแต่เทียนพอเพราะไม่มีควัน พอนานๆแกแกมากเข้าบอกว่าเทียนก็ไม่ต้องจุดหรอกกลัวแกลืมดับเอยไม่ต้องจุดทูบจุดเตียนจนตอนหลังแกลูกแกก็เป็นห่วงเลยพาไปอยู่บ้านอุบ้บานอยู่ร้อยมากออนมาไปวันนั้ น, น, น, นไปกว่าจะถึงบ้านแกะนะที่แกอยู่กับลูกแกสามชมั่วโมงเนี่ยที่เห็นว่าคนที่ ยังไม่ถึงอริยะเมื่อก่อนนะแต่เห็นว่าพยายามประคองจิตชีวิตวิถีชีวิ ต, ววตประจำวันตัวเองเนี่ยให้อยู่กับกุศลถ้าลอดอ๋อวันดีคืนดีเข้ามาทำวัดเจ้าเห็นโบสถ์โตกะปลกเลอะเทอะกลับไปถึงห้องสวดบนสวดไรเถ็จเดินต๊กเต็กกับไม่เต้ามาถึงก็เอาผ้าผืนหนึ่งเจ็ดเจ็ด คือให้กุศลเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลาแล้วมีปิติกับกุศลนั่นแล้วไม่เห็นอ่ะไม่เห็นความเป็นอกุศลจะจ้องจับผิดความเป็นอกุศลแกเนี่ยจับไม่ได้เพราะแกอยู่กับกุศลจริงๆนั่นแหะไอ้ไม่ชีเนี่ยหนึ่งรอยปีแกบวชตั้งแต่อายุยี่สิบมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็อัตมาก็สัมภาษณ์แกหลายรอบแล้วเดี๋ยวนี้สัมภาษณ์แกลืมหมดแล้วแหะเพราะว่า แกลืมแกไม่หลงแกบวชนี่เพราะเข้าเนียนทุเรียนบวชปีสองสี่แปดสี่ใครเกิดยัง <c oughs> <c oughs> บวชปีสองสี่แปดสี่อ่ะคิดดูดิ <c oughs> ตั้งแต่ปีสองสี่แปดีอยู่กับอูโบสถศีลอยู่กับกุศลมาเงี้ยคิดดูดิคนร่องจมูกแกที่ลมหายใจเข้าเข้าออกที่เป็นกุศลผ่านมาตั้งเท่าไหร่ กูสนุกฟอกธาตุฟอกเลือดฟอกกระดูกเนี่ยไม่รู้จะเป็นอะไรนั่นเชื่อว่าพอใจเป็นกูสนทุกอย่างที่มีปรับเป็นกูสนได้หมดใจที่ไม่ใจที่เป็นอากูสนทุกอย่างที่มีก็ปรับเป็นอากูสนได้หมด <c oughs> นั่น พ, พบภูมิของใจเราเนี่ยเป็นอะไร มันสามารถที่จะยกทุกอย่างที่มีอยู่นี่แหละเหมาะ ก, กับภพบภูมิของมันเองเข้าใจไหมที่เรียกว่าโปโนภาวิกาโปโนภาวิเกหิคือพร้อมที่จะเป็นใหม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนเด็กคนหนึ่งลูกศิษย์ทางานมีทุกอย่างเสร็จแล้วมันระบบอุ้นส่วนพี่น้องเนี่ยคนโน้นก็มีอย่างคนนั้นก็มีนี่คนนี้ก็มีโนนคนนั้นก็มีนันนนน้น แต่ว่าทุกคน ก, ก็มีทั้งหมดมีแต่ผมเนี่ยไม่มีอะไรบอกให้เราต้องทําใจให้พร้อมนะเพราะทั้งหมดของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นของคนอื่นตลอดเวลาต้องรู้ว่อย่างนั้นนะรุ้ยหนักรวยแรงด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยในคําว่าของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นของผู้อื่นตลอดเวลา มันพร้อมที่จะไปจากเราตลอดเวลาต้องรู้อย่างนั้นแล้วก็ต้องหัดฉลาดหาความภูมิใจมาใส่ใจอย่างเช่นเรามีแค่ขันห้าตัวแค่เนี้ยอายุแค่เนี้ยทํางานทํางานทํางานทํางานมีคนงานสี่ห้าร้อยคนเนี่ยเราก็รู้เออเราสามารถที่จะทําให้คนที่มันเดินมามือเปล่าเปลตัวเปล่าเปล่ า, ป, ลาปัจจุบันนี่มีรถโมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเป็นบทมีเป็นผลจากการเคลื่อนไหวของขันห้าของเราเออมองให้มันภูมิใจอย่างนั้น แต่พอไปนึกถึงเกิดความกะปิดกะปิปาซ่ากะปาซากะปาซาที่พระเจ้าเรียกกามะปาซ่าความระหายปริลาโหความเร่าร้อนกามั่กามัดซ่ า, า, ดานั่งคือความยั่งลงข้างในของความชอบเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความอาการพวกนี้บีบคั้นจิตแต่พอพอเราพลิกกลับ พอเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วเว้ยแล้วก็พลิกกลับคิดตามพระพุทธเจ้าจิตเราก็จะตื่นขึ้นมาเนี่ยการความธรรมมันอย่างเนี้ยพอเราพลิกกลับคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนเออจิตก็กลับตื่นขึ้นมาพอกลับตื่นขึ้นมาเราก็โอพลังมันมาจากไหนมันมาจากความตื่นของจิตเนี่ยอมันไม่หมกมุนม่นไม่หลับไหลไ อ, มไ อ, มมม อ, อ้มุจฉาไอกรรมมุจฉาภาวะมุตฉาเอทิฏฐิมุจฉาอวิชชา อันยานังความไม่อย่างรู้มันนมันถูกพลิกตื่นขึ้นมาเหมือนความทมปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพวกเราที่มานั่งกันอยู่เนี่ยอีกกี่วันอือีกกี่วันที่เราจะมานั่งกันอยู่อย่างนี้ได้ เดี๋ยวก็เรียเร่ยวแรงที่จะขับเคลื่อนเรามาเนี่ยนี่ตอนนี้หลายคนนั่งพื้นไม่ได้แล้วอีกหน่อยก็นั่งเก้าอี้ไม่ได้ที่นี่ไม่มีที่นอนเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ก็ไม่สามารถมาได้แล้วแต่วันนั้นมีไหมเร็วหรือช้าก็ช่างเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยมันประมาทไม่ได้กับคําว่าชีวิตอืม มันเกิดเรื่องเกิดราวได้ตลอดเวลาแขวนสมเด็จองหนึ่งสามสิบกว่าล้านเป็นไงฮะสุดท้ายเจ้ประคุณสมเด็จก็พร้อมที่จะจากเราไปตลอดเวลาเหมืองกันพรากกันไปจากกันไปเฉยเฉยเช่นนะั้นอุซับขู่ไว้นะ เลี่ยมอย่างดีล้อมเพชรก็ไม่อยู่ถึงขนาดนั้นแล้วคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเรียกว่าเซฟตีส้สุดๆคือมีความระมัดระวังในการที่จะเกิดโรคในการที่จะเกิดอุบัติเหตุในการที่จะเกิดนั่นเกิดนี่เกิดนั่นเรียกว่าอุดทางตาย เรียกว่าอุดทางตายคือมหาอุดแล้วไอ้ลงยันมหาอุดแล้วยันมาอุดนี่คืออุดทางตายนะอุดทางตายสุดท้ายเป็นไงเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเรก็จะได้ยินในคนเสียดายเสียดา ย, ดายเห็นไหมดดกฎ น, น, นี้ก็เสียดายกฎนี้ก็เสียดาย อรอยู่ในความเสียดายอะไรอยู่ในความเสียดายอะไรอยู่ในความเสียดายกามโยคะอือคือกามโยคะนั่นแหละอยู่ในความเสียดายนั้นน่ะเพราะมันเป็นอาการของอะไรเป็นอาการของกามสิเดหาเป็นอาการเยื่อใ่ในสิ่งที่ชอบมันผูกออกมาในลักษณะความเยื่อใยความอาใืร ถ้าใกล้ชิดหน่อยมากๆหน่อยมันก็เป็นกามมปปาสาก็คือกระหายอยากให้กลับมาอีกฮะอยากให้กลับมาอีกออแต่มันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราก็เหมือนกันเห็นอย่างนั้นแล้วยกกลับมาใส่ตนเห็นอย่างนั้นแล้วยกกลับมาใส่ตนถ้าเห็นอย่างนั้นแล้ว ยิ่งไปเพิ่มโยคะให้กับตัวเองก็แสดงว่าไม่เป็นธรรมะตกอยู่ใต้อำนาจของอกุศลอีกพราันพระพุทธเจ้าถึงย้ำว่าสัมปยุตตาปาปะเกหิอกุศเลหิตธมเบหิสังกิเลสิเกหิหละหิสังกิเลสิเกหิปโนภาวิเกหิสัทเรหิทุกขวิปาเกหิ อาญาติชาติมรรชาติชารามารณิเกหิว่าความผูกประกอบไว้แบบนี้สัมปยุตตาเนี่ยอันอากุศลอากุศลเนี่อันอากุศลนะทำไปอากุศลนะแลรทำปาบะเกหิบางคนแปลว่าอันลา ม, มกแต่จริงคือเรียกเป็นบาปนั่นแหละ ที่มันไม่ดีอ่ะอากูสนลรรมอันเป็นบาปสังกิเลสิเกหิอันเป็นเครื่องเศร้าหมองคําว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองคือทําให้จิตเกิดความเศร้าหมองโปโนภาวิกหิเป็นเครื่องที่จะนําเข้าไปสู่ความมีพบใหม่ความมีพบใหม่คือติดตรึงอยู่กับความเป็นในสถานะที่มันเป็นเป็นเป็นเป็นอยู่เนี่ย พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็อยากเป็นแบบเดิมไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็อยากเป็นแบบใหม่อยากเป็นเมื่อไงแต่อยากเป็นแบบใหม่ไม่พอใจในสิ่งที่เป็นแบบนี้ไม่พอใจในสิ่งที่เป็นแบบใหม่ก็อยากที่จะเป็นไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบใหม่มันเกิดทุกตลอดเวลากับความที่มันถูกผูกตึงไว้เนี่ยนี่สัทธเรหิ เรียกว่าความเร่าร้อนดินปร้านความเร่าร้อนดินนร้านไม่มาจากไหนหรอกก็มาจากนี่แหละล้วผูกกันไว้อย่างนี้ทุกขวิปากิหิตไอ้ตัวนี้ชัดคือมีทุกเป็นวิบากพอสุดท้ายเส้นทางสุดท้ายของแต่ละตัวที่ผูกไปไหนมีผลเป็นอะไรทุกขวิปาก ه, มีผลเป็นทุกเรียกว่ามีทุกเป็นวิบากก็คือมีวิบาก มีวิบากก็คือผลใช่ไหมมีผลเป็นทุกข์มีผลเป็นทุกข์ น, กนั่นตัวสุท้ายก็คือทุกข์พอถึงทุกข์ก็ตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมเราต้องทุกข์อย่างนี้ไปนั่งถามดูไอ้คนที่นั่งทุกข์มือกุมหัวขมับอยู่เนี้ยแก้ไม่ออกถึงทางตันนี่ถามดูแอะมันรู้ว่ามันทุกข์แบบนี้มันเกิดอยากเกิดมาไหมไม่อยากเกิดแต่พอทุกข์นั้นผ่านไปหายมันก็เอาต่อ <laughs> อ, อ๋อชาตินี้จบไปมาใหม่มันก็เป็นแบบเดิมไหมอีรอบเดิมท่นเขาเรียกว่าวัตตะงั้นคำว่าโยคาแปลว่าอะไรโยคาแปลว่ากิเลสที่เป็นเครื่องผูกให้หมุนอยู่ในวัตตะชื่อว่าโยคะเนี่ยเรามาถือพุทธสนาเรียกว่าเราเจอพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะต้องรู้และเข้าใจเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้เสียทีที่เจอพระพุทธเจ้านะเสียทีที่เกิดมาและอยู่ในในร่มโพของพระพุทธเจ้าเสียทีจริงๆถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ ไม่มีคําถามนะฟังแล้วนี่ต้องแบบฟังแล้วจิตสังเกตไหมถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจเราอินกับมันอะเราจะรู้สึกว่ามันสลดและสะฮบสลดไหมแล้วไม่สะฮบอะ <c oughs> พอฟังแล้วรู้สึกกลัวหวาดระแวงโอ้โหจริงจริงนะเนี่ย แ, แล้วทํายังไงดีวะเนี่ยเงินก็ตั้งเยอะลูกหลานก็ตั้งเยอะก็ <c oughs> ทํำยังไงดีวะเนี่ย ไอ้สลุดแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าสังเวชเลยมันต้องสลดแล้วก็สงบคือพอเข้าใจรู้ปั๊บเนี่ยต้องยอมรับมันแล้วก็เห็นโทษพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าความว่าคำว่ารู้จริงนี่นะสมุทยัยนจะเห็นการเกิดอัดฐังธมันจะเห็นการดับอัดสซาทัญจะก็เห็นคุณของมันคือผลของมันอะข้อดีของมันอะมีอยู่เท่าไหร่เห็นได้หมด จากนั้นก็อาทีนวันจะเห็นโทษของมันพอเห็นคุณเห็นโทษของมันเสร็จแล้วเห็นการเกิดการดับของมันแล้วมันจบจบไปทํำยังไงมันยังผูกอยู่ก็นิสะระนัญจะคือเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากมันคือสร้างความรู้ชัดในตัวมันว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเมื่อมันผูกใจไร้ไม่ได้ใจเราก็เด้งกลับมาอยู่อารมณ์ที่เป็น กลางได้เราก็มองเห็นมันในสภาพชีวิตที่เป็นปกติแต่ถ้าว่าในชีวิตปกติเราจะอยู่ยังไงก็ถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ข้อแรกต้องอยู่กับความไม่เล็งแม้นมีความเร็งอันใดเกิดขึ้นหยุดความเร็งนั้นไว้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอยู่กับความไม่พยาบาท ใจต้องเต็มเปี่ยมด้วยความพร้อมที่จะอภัยตลอดเวลาไม่ใช่พร้อมที่จะรบใจต้องพร้อมที่จะอาภัยอยู่ในตลอดเวลาถ้าเราอยู่ในบ้านอาตัตมาพูดสเบอเลยนะถ้าครอบครัวเรามีห้าคนเราจะต้องทําใจเราพร้อมที่จะอาภัยให้กับทุกคนในครอบครัวให้ได้ไอันนี้บางคนอยู่บ้านเนี่ยไม่สงบอ่ะไม่มีความสุขกับการอยู่บ้านแต่มันจําเป็นต้องอยู่ ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่มันอยู่แล้วไม่มีความสุขเลยเห็นหน้าสามีเห็นหน้าภรรยาเนี่ยไม่มันไม่อยากมองเห็นอัไรนั้นก็รู้สึกมันไม่มีความสาบุไม่มีความสุขเลยมไม่อยากอยู่เลยอยากจะไปให้พน้นอยากจะไปให้พน้นแต่มันอยู่มาจนป่านนี้ยไม่รู้เพราะอะไรนั่นแหละอภัยาปันเดนใจรักาปรับใหม่ จับทุกคนที่อยู่ด้วยกันในครอบครัว <c oughs> ถ้ามีห้าคนน่ะจับมาเลยถ้าเราเป็นภรยาจับสามีขึ้นมาก่อนเพราะมันใกล้ที่สุดจับสามีขึ้นมาแล้วก็แผ่เมตตา <c oughs> ปลงใจตัวเองให้ยอมรับว่าชีวิตฉันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และจนถึงวันที่ฉันตายฉันจะต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้คนเดียว เพราะฉะนั้นเขาจะมีนิสัยอย่างไรอุปนิสัยอย่างไรเป็นคนที่ลักษณะเฉพาะตัวแบบไหนเป็นเรื่องของเขาฉันจะยอมรับฉันจะไม่มุ่งเน้นเข้าไปเพื่อจะแก้ไขเขาเพื่อให้มาได้ดังใจของฉันบอกให้ตัวเองยอมรับอย่างนี้ก่อนอและเขาปรารถนาอะไรฉันขอช่วยเขาเขาต้องการอะไรฉันก็จะให้เขา เขาทําอะไรขึ้นมาฉันพร้อมที่จะอภัยให้เขาเพราะมันวิตไอคิดแบบนี้จิตมันก็ตื่นมามันก็จะมองเออเข้าขึ้นมามันก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างแล้วไอเรายิ้มเข้าไปเนี่ยวันแรกเขาอาจจะงงอะใช่ไหมคนไม่เคยยิ้มใส่กันอ่ะมีแต่บึ้งใส่บึ้งใส่บึ้งใส่วันแรกยิ้มให้เขาเขาอาจจะงงงงนิดๆพอวันต่อมาก็ไอเริ่ม เริ่มสงสัยพราะวันต่อมาก็มียิ้มตอบมุมปากเล็กๆน้อยๆวันต่อมาก็เอ่ยิ้มยิ้มเมื่อวันไหนที่มันยิ้มไม่กันอ่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นข้อสองต้องอยู่ด้วยความไม่พยาบามจับมาเลยถ้าเป็นพรรยามีจับภรรยาขึ้นมามองให้ได้ก่อนเลยพร้อมที่อาจจะอภัยให้กับผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพราะความรักเปะเพราะความรู้เล็กความเข้าใจ เพราะความรักอย่างเดียวช่วยไม่ได้ไงเพรถ้าเพราะความรักเดียวมันก็จะเบื่อเบื่อไหมเบื่อดิแต่ต้องเพราะความรู้และความเข้าใจรู้อะไรรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีคติของมันแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันรู้ว่ามีลักษณะเฉพาะของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็รู้อย่างนี้ รู้เล็กเข้าใจอย่างนี้แล้วก็าพร้อมที่จะอภัยให้เขาเมื่อใดที่ใจเราเต็มเปี่ยมไปด้วยอภัยาปัณนาเจตาโสเมื่อนั้นก็จะดึงดูดหลายหลายคนที่อยู่บริเวณใกล้ๆเราค่อยๆปรับเปลี่ยนถ้าเราเป็นพ่อเขาคาพูดแรกที่เราพูดออกไปเป็นคาพูดเชิงตวาดอะรู้ ร, รอยากคาพูดเชิงตวาดไหม คือทุกคนรู้สึกว่ามันมีหน้าที่ที่จะต้องฟังท่านอย่างเดียวฟังพระเดชพระคุณพ่ออย่างเดียวเลยอะแต่เมื่อใดที่เรามีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอภิยาปันเดนาเจตโสเนี่ยอยู่ด้วยความไม่พยาบาทแล้วเนี่ยคำพูดที่พูดออกไปแม้จะเป็นคำพูดที่แบบเดิมแต่คนฟคังมันรับอีกอารมณ์หนึ่งนะและอารมณ์ที่คนฟังก็รับได้ว่า ไม่ได้เป็นคำพูดที่ออกมาจากโทรสะและคนควังก็รับได้อย่างนั้นน่ะมันก็จะไปปรับเปลี่ยนใจของคนที่ฟังถูกเปลี่ยนไปด้วยนี่นี่พูดถึงคนที่อยู่ด้วยกันที่พระเจ้าเรียกว่ากรร ม, มพันธุมันผูกโยงถึงกันแบบนี้เราดูดิหลวงพ่อคูนอะแกพูดจาไงเมืองกูเมืองกูน่ารักอ่ ะ, <laughs> อะใช่ไหม มีใครมาบอกหลวงปู่โอ้ยพระอะไรว่าพูดหยาบใครไม่อยากเห็นเลยไม่อยากเห็นได้ไงกบริจาคไม่รู้ตั้กี่พันล้านนะแกน่ารักไหมเออเพราะว่ามันความหยาบมันไม่ได้อยู่ที่วาจาความหยาบมันอยู่ที่พยาบาทที่มันมีเป็นมูลอยู่ที่จิตไม่ต้องอธิบายความมากพวกเราเข้าใจกันแล้วอสําหรับภาคเช้านี้ก็ ขออนุมโมทนากับทุกๆท่านเพื่อบางคนที่ไม่สามารถอยู่ตอนบ่ายได้ก็ขออนุมโมทนาและก็ขอให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยบทแเองธรรมสี่ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอยู่โดยความไม่เพ่งเร็งให้ได้และก็อยู่ด้วยความไม่พยาบาทให้ได้สองข้อนี้ก่อนนี่ภาคเช้ามาวันนี้แค่ภาคเช้านี่ถ้าได้แค่สองข้อเนี้ยคุ้มค่าแล้วแหละ แด้ให้ทุกท่านจเจริญในธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทุกๆคนนะยิ่งๆขึ้นไปทุกๆคนเธอ응